ธรรมบทแปลเรื่องที่64เรื่องบัณฑิตสัมณีนภาคที่สเรื่องที่หของวรคที่หปัญฑิตวักวนานนาเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบบัณฑิตสัมณีนตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอุดกังหีนยันติเป็นต้นดังได้สดับมาในอดีตการ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากษัมีพระขีนาศพสองมืรูปเป็นบริวารได้เสด็จไปสู่กรุงพารณสีมนุษย์ทั้งหลายกำหนดกำลังของตนของตนแล้วรวมกัน8ดคนบ้างสิบคนบ้างได้ถวายอาคันตุกะทาแล้วต่อมาวันหนึ่งในการเป็นที่เสร็จพัฒกิจพระศาสดาได้ทรงทมอนุโมทนาอย่างนี้ว่าอุบาสก อุบาสิกาทั้งหลายบางคนในโลกนี้คิดว่าเราให้ของของตนเท่านั้นควรประโยชน์อะไรด้วยการชักชวนคนอื่นดังนี้แล้วจึงให้ทานด้วยตนเท่านั้นไม่ชักชวนผู้อื่นเขาย่อมได้โพคสมบัติไม่ได้บริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วบางคนชักชวนผู้อื่นไม่ให้ด้วยตนเขาย่อมได้บริวารสมบัติ ไม่ได้พอคสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วบางคนทั้งไม่ให้ด้วยตนด้วยทั้งไม่ชักชวนผู้อื่นด้วยเขาย่อมไม่ได้พอคสมบัติไม่ได้บริวารสมบัติเป็นคนกินเดนเป็นอยู่ในที่ที่ตนเกิดแล้วบางคนทั้งให้ด้วยตนทั้งชักชวนผู้อื่นเขาย่อมได้ทั้งพอคสมบัติทั้งบริวารสมบัติ ในที่ที่ตนเกิดแล้วชายบัณฑิตผู้หนึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ได้ฟังอนุโมทนากถานั้นแล้วคิดว่าบัดนี้เราจะทําอย่างที่สมบัติทั้งสองจกมีแก่เราเขาถวายบังคมพระสัสดาแล้วกราบทูลว่าพรุ่งนี้ขอพระองค์จงทรงรับภิกษาของข้าพระองค์พระเจ้าค่าพระสัทสดา ต้องการภิกษุเท่าไรบัณฑิตก็บริวาลพระองค์มีเท่าไรพระเจ้าค่าพระสัสดามีภิกษุสอง0มืรูปบัณฑิตพระเจ้าค่าพรุ่งนี้ขอพระองค์กับภิกษุทั้งหมดจงทรงรับภิกษาของข้าพระองค์พระสัสดาทรงรับนิมนต์แล้วเขาเข้าไปบ้านแล้วเดินบอกบุญว่า แม่และพ่อทั้งหลายพรุ่งนี้ข้าพระเจ้านิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกไว้เพื่อรับพิกษาท่านทั้งหลายจงถวายแก่ภิกษุเท่าจำนวนที่สามารถถวายได้เมื่อชนทั้งหลายกำหนดกำลังของตนของตนแล้วกล่าวว่าพวกเราจาถวายสิบรูปพวกเราจากถวายยีสิบรูปพวกเราร้อยรูปพวกเราห้าร้อยรูป ดังนี้แล้วจึงจดคําของคนทั้งหมดลงไว้ในบัญชีตั้งแต่ต้นมาก็ในสมัยนั้นในกรุงนั้นมีชายคนหนึ่งปรากฏชื่อว่ามหาทุกขตะเพราะความเป็นผู้ยากจนยิ่งนักชายมดิษนั้นเห็นชายเขียนใจแม้นั้นมาเฉพาะหน้าจึงบอกว่าเพื่อนมหาทุกขตะข้าพระเจ้าได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานไว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 ธรรมดาผู้ชักชวนพึ่งเป็นผู้ฉลาดเพราะฉะนั้นชายบัณฑิตนั้นแม้เมื่อมหาทุกตะพูดว่าไม่มีก็ไม่นิ่งเฉยยังกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนมหาทุกตะคนเป็นอันมากในเมืองนี้บริภโภคโภชนาอย่างดีนุ่งผ้าเนื้อละเอียดแต่งตัวด้วยเครื่องอาภรณ์ต่างๆนอนบนที่นอนอันสง่างามย่อมเสวยสมบัติกัน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 มีเรี่ยวแรงสมบูรณ์แกแม้ทำงานจ้างแล้วให้ทานตามกําลังจะไม่ควรหรือมหาทุกตะนั้นเมื่อชายบัณฑิตกล่าวอยู่ถึงความสลดใจจึงพูดว่าคุณจงลงบัญชีภิกษุให้ผมบ้างสักรูปหนึ่งผมจักทำงานจ้างอะไรสักอย่างแล้วจักถวายภิกษาแกภิกษุรูปหนึ่งชายบัณฑิตนอกนี้คิดว่าภิกษุรูปเดียว จะจดลงในบัญชีทำไมดังนี้แล้วจึงไม่จดไวฝ่ยายมหาทุกกตะไปเรือแล้วพูดกับภรรยาว่าลอนพรุ่งนี้ชาวเมืองเขาจัดพัดเพื่อพระสงฆ์แม่ฉันก็ถูกผู้ชักชวนบอกว่าจงถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งพวกเราจักถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งพรุ่งนี้ลำดับนั้นภรรยาของเขาไม่พูดเลยว่า พวกเราเป็นคนจนแกรับคำเขาทำไมกล่าวว่านายแกทำดีแล้วเมื่อก่อนเราไม่ให้อะไรอะไรชาตินี้จึงเกิดเป็นคนยากจนเราทั้งสองคนทำงานจ้างแล้วจากถวายพิษาแก่พิกษุรูปหนึ่งแม้ทั้งสองคนได้ออกไปสู่ที่ทางานจ้างมหาเศรษฐีเห็นมหาทุกตะจึงถามว่าเพื่อนมหาทุกตะ เธอจักทำงานจ้างหรือมหาทุกตะขอรับกระผมมหาเศรษฐีจักทำอะไรมหาทุกตะแล้วแต่ท่านจักให้ทำมหาเศรษฐีกล่าวว่าแต่อย่างนั้นพรุ่งนี้เราจะเลี้ยงภิกษุ2 3 0ถึง้อจงมาผ่าฟืนเถิดแล้วก็ให้หยิบมีดและขวานมาให้มหาทุกตะ ตอกเมนอย่างแข็งแรงถึงความอุตสาหะวางมีดคว้าขวานทิ้งขวานฉวยมีดผ่าฟืนไปลำดับนั้นเศรษฐีพูดกับเขาว่าเพื่อนวันนี้เธอขยันทำงานเหลือเกินมีเหตุอะไรหรือมาหาทุกตะนายผมจักเลี้ยงภิกษุสักรูปหนึ่งเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วมีใจเลื่อมใสคิดว่า น้าเลื่อมใสจริงมหาทุกตะนี้ทำกรรมที่ทำได้ยากเขาไม่ถึงความเฉยแม้ด้วยคิดว่าเราจนพูดว่าจากทำงานจ้างแล้วเลี้ยงภิกษุสักรูปหนึ่งฝ่ายภรรยาของเศรษฐีเห็นภรรยาของมหาทุกตะนั้นแล้วก็ถามว่าแม่เจ้าจากทำงานอะไรเมื่อนางตอบว่าแล้วแต่จะใช้ดิฉันให้ทำ จึงให้เข้าไปสู่โรงกระเดื่องแล้วให้มอบเครื่องมือมีกระด้งและสากเป็นต้นให้แล้วนางยินดีร่าเริงทั้งตำทั้งฝัดข้าวเหมือนจะรำละครลำดับนั้นภรยาเศรษฐีถามนางว่าแม่เจ้ายินดีร่าเริงทำงานเหลือเกินมีเหตุอะไรหรือนางคุณนายพวกดีฉันทำงานจ้างนี้แล้วจักเลี้ยงภิกษุสักรูปหนึ่ง ฝ่ายภรรยาเศรษฐีฟังคํานั้นแล้วเลื่อมใสในนางว่าน่าเลื่อมใสานางนี้ทํากรรมที่ทําได้ยากในเวลาที่มหาทุกตะผ่าฟืนเสร็จเศรษฐีสั่งให้ให้ข้าวสาลีสี่นานด้วยพูดว่านี่ค่าจ้างของเธอแล้วสั่งให้ให้แม้อีกสี่ธนานด้วยพูดว่านี้เป็นส่วนที่เพิ่มให้เพราะความยินดีแก่เธอ เขาไปสู่เรือนบอกกับภรรยาว่าฉันรับจ้างได้ข้าวสาลีมาส่วนนี้จักเป็นกับจงถือเอาของคือนมสม้มน้ำมันและเครื่องเทศด้วยค่าจ้างแรงงานที่เจ้าได้แล้วฝ่ายภรรยาเศรษฐีสั่งให้จ่ายเนยใสขวดหนึ่งนมส้มกระปุกหนึ่งเครื่องเทศหนึ่งและข้าวสารสาลีอย่างเป็นตทนาหนึ่ง เกนางเขาทั้งสองได้ข้าวสารรวมห้าธนานด้วยประการชนีทั้งสองผัวเมียนั้นยินดีร่าเริงว่าเราได้ทยยรทมแล้วลุกขึ้นแต่ช้าตรูภรยาพูดกับมหาทุกตะว่าไปหาผักมาสินายเขาไม่เห็นผักในร้านตลาดจึงไปฝั่งแม่น้ำมีใจร่าเริงว่าจักได้ถวายโพชนาแก่พระผู้เป็นเจ้า ร้องเพลงพลางเลือกเก็บผักพลางชาประมงยืนทอดแหใหญ่อยู่ก็รู้ว่าเป็นเสียงของมหาทุกตะจึงเรียกเขามาถามว่าแกมีจิตยินดีหรือเกินร้องเพลงอยู่มีเหตุอะไรหรือมหาทุกตะเก็บผักเพื่อนชาประมงจกทำอะไรกันมหาทุกตะจกเลี้ยงภิกษุสักรูปหนึ่งชาประมง โออิมละภิกษุที่ฉันผักของแกมหาทุกตะจะทำอย่างไรได้เพื่อนการต้องเลี้ยงภิกษุด้วยผักที่กันได้ชาประมงถ้าอย่างนั้นมานี่เถิดมหาทุกตะจะทำอย่างไรเพื่อนชาประมงจงถือเอาปลาเหล่านี้ร้อยให้เป็นพวงมีราคาบาทหนึ่งบ้างกึ่งบาทบ้างกะหาปณ ะ, ะหนึ่งบ้าง เขาได้กระทำอย่างนั้นชาวเมืองซื้อปลาที่มหาทุกตะร้อยไว้ร้อยไว้ไปเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุที่ตนนิมนต์แล้วนิมนต์แล้วเมื่อเขากำลังร้อยปลาอยู่นั่นแลก็ถึงเวลาพิกขาจ่าแล้วเขากำหนดเวลาแล้วกล่าวว่าจะต้องไปเพื่อนนี้เป็นเวลาที่ภิกษุมาชาประมงก็บพวงปลายังมีอยู่ไหม มหาทุกตะไม่มีเพื่อนหมดสิ้นแล้วชาประมงถ้าอย่างนั้นปลาตะเพียนสี่ตัวข้าหมกซ้ายไว้เพื่อประโยชน์แก่ตนแม้ถ้าแกต้องการจะเลี้ยงภิกษุจงเอาปลาเหล่านี้ไปเถิดดังนี้แล้วก็ได้ให้ปลาตะเพียนเหล่านั้นแกเขาไปก็วันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นมหาทุกตะ เข้าไปในข่ายคือพระยานของพระองค์ทรงรำพึงว่าจะมีเหตุอะไรหนอทรงดำริว่ามหาทุกตะคิดว่าจากเลี้ยงภิกษุรูปหนึ่งจึงได้ทํางานจ้างกับภรรยาแล้วในวันวานเขาจะได้ภิกษุรูปไหนหนอจึงทรงใคร่ครวญว่าคนทั้งหลายจากพาภิกษุไปตามชื่อที่จดไว้ในบัญชีแล้วให้นั่งในเรือนของตนของตน มหาทุกตะเว้นเราเสียแล้วจักไม่ได้ภิกษุอื่นได้ยินว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงทำความอนุเคราะห์ในพวกเขียนใจเพราะฉะนั้นพระสัสดาทรงทมสรีรากิจแต่เช้าตรู่แล้วเสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีประทับตั้งด้วยทรงดำริว่าจากสงเคราะห์มหาทุกตะแม้เมื่อมหาทุกตะกาลังถือปลาเข้าไปสู่เรือน บรรทุกกำพลศิลาอาจของเท้าส ก, กะแสดงอาการร้อนเท้าเธอทรงพิจารณาว่าเหตุอะไรกันหนอทรงดำริว่าวันนี้มหาทุกตะได้ทำงานจ้างกับภรยาของตนโดยตั้งใจว่าจากถวายภิกษาแก่ภิกษุสักรูปหนึ่งเขาจะได้ภิกษุรูปไหนหนอทรงทราบว่าภิกษุอื่นไม่มีสาหรับเขา แต่พระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีนั่นเองด้วยตั้งพระทัยว่าจากสงเคราะห์มหาทุกตะมหาทุกตะพึงถวายข้าวต้มข้าวสวยแม้มีผักเป็นกับอย่างที่ตัวบริโภคเองแด่พระตถาคตถ้าไกรเราควรไปยังเรือนของมหาทุกตะทำหน้าที่เป็นพ่อครัวดังนี้แล้วจึงทรงจำแรงเพศไม่ให้ใครรู้จัก เสด็จไปที่ใกล้เรือนของมหาทุกตะนั้นแล้วตรัสถามว่าใครๆมีงานจ้างอะไรบ้างหรือมหาทุกตะเห็นเท้าสากะแล้วจึงกล่าวว่าจะทํางานอะไรเพื่อนชายแปลงข้าพเจ้ารู้วิชาการทุกอย่างนายชื่อว่าวิชาการสิ่งไรที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจไม่มีเลยรู้จนการปรุงข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้น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 ข้าพเจ้าไม่ต้องการค่าจ้างท่านให้บุญแก่ข้าพเจ้าไม่ควรหรือมหาทุกตะเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นการดีละเพื่อนเชิญเข้าไปเถิดเท้าส ก, ก่านั้นเสด็จเข้าไปเนรเรือนของมหาทุกตะนั้นแล้วให้นำข้าวสารเป็นต้นมาแล้วทรงส่งมหาทุกตะนั้นไปด้วยคำว่าไปเถิดท่านจงนำภิกษุที่ถึงแก่ตนมา ฝ่ายผู้จัดการทานได้จ่ายภิกษุไปสู่เรือนของพวกชนเหล่านั้นเหล่านั้นตามรายการที่จดไว้ในบัญชีนั่นแหลมหาทุกตะไปยังสำนักของเขาแล้วพูดว่าจงให้ภิกษุที่ถึงแก่ผมเถิดเขาได้สติขึ้นในขณะนั้นจึงพูดว่าฉันลืมภิกษุสำหรับแกเสียแล้วมหาทุกตะเป็นเหมือนถูกประหารที่ท้องด้วยหออันคมประคองแขนร่าไรว่า เหตุไรจึงให้ผมชิบหายเสียเล่าคุณแม้ผมอันท่านชวนแล้วเมื่อวานก็พร้อมด้วยภรรยาทำงานจ้างตลอดวันวันนี้แต่เช้าตรู่เที่ยวไปที่ฝั่งแม่น้ำเพื่อต้องการผักแล้วจึงมาขอท่านจงให้ภิกษุแก่ผมสักรูปหนึ่งเถิดคนทั้งหลายประชุมกันแล้วถามว่ามาหาทุกตะนั่นอะไรกันเขาบอกเนื้อความนั้น คนเหล่านั้นถามผู้จัดการว่าจริงไหมเพื่อนได้ยินว่ามหาทุกตะนี้ท่านชักชวนว่าจงทำงานจ้างแล้วถวายภิกษุแก่ภิกษุสักรูปหนึ่งผู้จัดการขอรับนายคนเหล่านั้นท่านจัดการภิกษุมีประมาณถึงเท่านี้ไม่ได้ให้ภิกษุแกมหาทุกตะนี้สักรูปหนึ่งถึงกำหนักเสียแล้ว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 ทรงพระพักแล้วประทับนั่งอยู่ในพระกันทักกุฎีนั่นเองพระเจ้าแผ่นดินยุประราชและคนโตๆโตมีเสนาบดีเป็นต้นนั่งแลดูการเสด็จออกจากพระกันทักกุฎีแห่งพระศาสดาคิดว่าจากรับบาทของพระศาสดาไปธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงทาอนุเคราะห์ในคนยากจนท่านจงไปวิหารกราบทูลพระศาสดาว่า ข้าพระองค์เป็นคนยากจนพระเจ้าข่าขอพระองค์จงทำความสงเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิดถ้าท่านมีบุญท่านจากได้แน่เขาได้ไปสู่วิหารแล้วลำดับนั้นพระเจ้าแผ่นดินและพระยุปรราเป็นต้นตรัสกับเขา ว, ว่ามหาทุกตะไม่ใช่เวลาพัดก่อนเจ้ามาทำไมพระเคยเห็นเขาโดยความเป็นวิคาซาธาในวิหารในวันอื่น มหาทุกตะกราบทูลว่าข้าพระองค์ทราบอยู่ว่าไม่ใช่เวลาพัดก่อนแต่ข้าพระองค์มาก็เพื่อถวายบังคมพระศาสดาดังนี้แล้วจึงซบศีรษะลงที่ธรณีพระคันธกุฎีถวายบังคมด้วยเป็นจางข้ประดิษฐ์กราบทูลว่าผู้ที่ยากจนกว่าข้าพระองค์ในพระนครนี้ไม่มีพระเจ้าข่าขอทรงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระองค์เถิด ขอทรงทำความอนุเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิดพระศาสดาทรงเปิดพระทวารพระคันทกุดีทรงนำบาทมาประทานในมือของเขาเขาได้เป็นเหมือนบรรลุจกกักรพัชสิริพระเจ้าแผ่นดินและยุพระราชเป็นต้นต่างทรงแลดูพระพักกันและกันแท้จริงใครๆชื่อว่าสามารถเพื่อจะรับบาทที่พระศาสดาประทานแก่มหาทุกตะ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 ข้าพระเจ้าไม่มีความต้องการด้วยซักจากให้พระาศาสดาเท่านั้นเสมอชนทั้งหลายที่เหลืออ้อนวอนเขาไม่ได้บาดแล้วจึงกลับไปฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินทรงดำริว่ามหาทุกตะแม้ถูกเขาเล้าโลมล่อโดยซับ ก, ก็ไม่ให้บาดพระาศาสดาก็ใครๆไม่อาจจะรับบาด ท, ที่พระาศาสดาประทานแล้วด้วยพระองค์เองได้ อันธยธรรมของมหาทุกตะนี้จะมีประมาณเท่าไหร่ในเวลามหาทุกตะนี้ถวายธยธรรมเสร็จแล้วเราจะนำพระศ า, ศาสดาไปยังเรือนถวายอาหารที่เขาจัดไว้สําหรับเราดังนี้แล้วจึงได้ตามเสด็จไปพร้อมด้วยพระศ า, ศาสดาทีเดียวฝ่ายท้าวสกเทวราชจัดอาหารพัดมีข้าวต้มและข้าวสวยและผักเป็นต้นพร้อมหมู่แล้ว ผู้อาสนะที่สมควรเป็นที่ประทับแห่งพระศาสดาแล้วประทับนั่งมหาทุกตะนําพระศาสดาไปแล้วกราบทูลว่าจงเสด็จเข้าไปเถิดพระเจ้าค่าก็เรือนที่อยู่ของเขาต่ําผู้ที่ไม่ก้มไม่อาจเข้าไปได้ก็แต่ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อเสด็จเข้าสู่เรือนไม่ต้องก้มเสด็จไปเพราะว่า ในเวลาเสด็จเข้าสู่เรือนแผ่นดินใหญ่ย่อมยุบลงภายใต้หรือเรือนสูงขึ้นนี่เป็นผลแข่งทานที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นถวายไว้ดีแล้วในเวลาที่พระองค์เสด็จออกไปแล้วทุกสิ่งเป็นปกติเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพระศาสดาทั้งประทับยืนอยู่นั่นเองเสด็จเข้าสู่เรือนแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่เท้าสักกะปูถวายแล้ว เมื่อพระศาสดาประทับนั่งแล้วพระราชารับสั่งว่าเพื่อนมหาทุคตะท่านไม่ให้บาทของพระศาสดาแก่พวกเราแม้ผู้อ่อนวอนอยู่พวกเราจะดูก่อนสาการะที่ท่านจัดถวายพระศาสดาเป็นเช่นไรลําดับนั้นเท้าสาก่าเปิดข้าวยางคูและพัดออกอวดกลิ่นเครื่องอบอาหารพัดเหล่านั้นได้กลบทั่วพระนครตั้งอยู่ พระราชาทรงตรวจดูข้าวยาคูเป็นต้นแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันคิดว่าทยธรรมของมหาทุกตะจักมีศักดิ์เท่าไหร่เมื่อมหาทุกตะนี้ถวายทยธรรมแล้วจักนําเสด็จพระศาสดาไปยังเรือนถวายอาหารที่เขาจัดไว้สําหรับตนดังนี้จึงมาแล้วอาหารเห็นปานนี้หม่อมฉันไม่เคยเห็นเลย เมื่อหม่อมชันอยู่ในที่นี้มหาทุกตะต้องลำบากเหลือเกินหม่อมชันจะกลับถวายบังคมพระศ า, าสดาแล้วสเสด็จหลีกไปฝ่ายเท้าส ก, กะถวายยาคูเป็นต้นทรงอังฆ่าพระศ า, าสดาโดยเคารพแม้พระศ า, าสดาทรงทำพัตกิจแล้วทรงทำอนุโมทนาสเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปเท้าส ก, กะได้ให้สัญญาแก่มหาทุกตะ เขารับบาดตามเสด็จพระศัสดาเท้าส ก, กัดเสด็จกลับประทับยืนอยู่ที่ประตูเรือนของมหาทุกขตะทรงแลดูอากาศแล้วฝนแก้วเจ็ดประการตกลงจากอากาศเต็มภาชนะทั้งหมดในเรือนของเขาแล้วยังล้นไปทั่วเรือนในเรือนของเขาไม่มีที่ว่างภรรยาของเขาได้จูงมือพวกเด็กนำออกไปยืนอยู่ภายนอก เขาตามเสด็จพระศาสดาแล้วกลับมาเห็นเด็กข้าถนนจึงถามว่านี่อะไรภรรยาของเขาตอบว่านายเรือนของเราเต็มไปด้วยแก้วเจ็ดประการทั่วทั้งหลังไม่มีช่องจะเข้าไปได้เขาคิดว่าทานของเราให้ผลในวันนี้เองดังนี้แล้วจึงไปสู่พระราชสำนักถวายบังคมพระราชาแล้วเมื่อพระราชารับสั่งถามว่ามาทาไม จึงกราบทูนว่าพระเจ้าข้าเรือนของข้าพระองค์เต็มไปด้วยแก้เจ็ดประการขอพระองค์จงทรงถือเอาทรัพย์นั้นเถิดพระราชาทรงดำริว่านาอัศจรรย์ทานที่เขาถวายแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายถึงที่สุดวันนี้เองดังนี้แล้วจึงรับสั่งกับเขาว่าเธอควรจะได้อะไรมหาทุกตะขอจงพระราชทานเกวียนพันเล่ม เพื่อต้องการนําทรัพย์มาพระราชาทรงสงเกวียนพันเล่มไปให้นําทรัพย์มาเกลี่ยวไว้ที่พระรานหลวงกองซัพย์ได้เป็นกองสูงประมาณเท่าต้นตาลพระราชารับสั่งให้ชาวเมืองประชุมกันแล้วตรัสถามว่าในกรุงนี้ใครมีทรัพย์ถึงเท่านี้ไหมชาวเมืองไม่มีพระเจ้าค่าพระราชาจะควรทําอย่างไร คนมีทรัพย์มากอยาก่างนี้ชาวเมืองควรตั้งเป็นเศรษฐีพระเจ้าค่าพระราชาทรงทำสการะเป็นอันมากแก่เขาแล้วรับสั่งให้พระราชทานตําแหน่งเศรษฐีลําดับนั้นท้าวเธอตรัสบอกที่บ้านของเศรษฐีคนหนึ่งในการก่อนแก่เขาแล้วตรัสว่าเธอจงให้ถามพุ่มไม้ที่เกิดในที่นี้แล้วปลูกเรือนอยู่เถิด เมื่อเขาแผ้วถางที่นั้นขุดพื้นที่ทำให้เรียบอยู่ม่อซับได้ผุดขึ้นยัดเยียดกันและกันเมื่อเขากราบทูลแก่พระราชาท้าเธอจึงรับสั่งว่าหม่อซับเกิดพระบุญของเธอนั่นเองเธอนั่นแหละจงถือเอาเอิดเขาได้ปลูกเรือแล้วได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเธจ้าเป็นประมุขตลอดเจ็ดวันแม้เบื้องหน้าแต่นั้น เขาดำรงอยู่บำเพ็ญบุญจนตลอดอายุในที่สุดอายุได้พึงเกิดในเทวโลกเสวยทิพยาสมบัติสิ้นพุทธันดรหนึ่งในพุทธ ป, ประบาทการนี้จุติจากนั้นแล้วถือปฏิสนธิในท้องธิดาคนโตในตระกูลอุปถากของพระสารีบุตรเถระในกรุงสาวัตถีครั้งนั้นมารดาบิดาของนางทราบความที่นางตั้งครรภ์ จึงได้ให้เครื่องบริหารคันโดยสมัยอื่นนางเกิดแพ้ท้องเห็นป่านี้ว่าโอเราเพิ่งถวายทานแก่ภิกษุ500รูปตั้งต้นแต่พระธรรมมเสนาบดีด้วยรถปลาตะเพียรแล้วนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดนั่งในที่สุดอาสนะบริโภคพัด ท, ที่เป็นเดนของภิกษุเหล่านั้น นางบอกแก่มารดาบิดาแล้วก็ได้กระทําตามประสงค์ความแพ้ท้องระงับไปแล้วต่อมาในงานมงคลเจครั้งแม่อื่นจากนี้มารดาบิดาของนางเลี้ยงภิกษุ500รูปมีพระธรรมมสนาบดีเถระเป็นประมุก้วยรถปราตะเพียนเหมือนกันพึงทราบเรื่องทั้งหมดโดยในที่กล่าวแล้วในเรื่องติสกุมาร น, นั่นแลก็แต่ว่า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 คนเ ง, งะในเรือนนี้แม้พวกพูดไม่ได้เรื่องก็กลับเป็นผู้ฉลาดตั้งแต่การที่เด็กนี้ถือปฏิสนธิในท้องเพราะฉะนั้นบุตรของดิฉันจักมีชื่อว่าหนูบัณฑิตเถิดพระเถระได้ให้สิกขาบททั้งหลายแล้วก็ตั้งแต่วันที่หนูบัณฑิตเกิดมาความคิดเกิดขึ้นแก่มารดาของเขาว่า เราจากไม่ทําลายอัธยาศัยของบุตรเราในเวลาที่เขามีอายุได้เจ็ดขวบเขากล่าวกับมารดาว่าผมจะบวชในสำนักพระเถระนางกล่าวว่าได้เพราะคุณแม่ได้นึกไว้แล้วอย่างนี้ว่าจากไม่ทําลายอัธยาศัยของเจ้าดังนี้แล้วจึงนิมนต์พระเถระให้ฉันแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญธาของท่านอยากจะบวช ดิฉันจักนำเด็กนี้ไปวิหารในเวลาเย็นส่งพระเถระไปแล้วให้หมู่ญาติประชุมกันกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าจักทาสการะที่ควรทาแก่บุตรของข้าพเจ้าในเวลาเป็นเครื่อขันในวันนี้ทีเดียวดังนี้แล้ว mm. ก็ให้ทาสการะมากมายพาหนูบัณฑิตนั้นไปสู่วิหารได้มอบถวายแก่พระเถระว่า ขอท่านจงให้เด็กนี้บวชเถิดเจ้าข้าพระเถ ร, ระบอกความที่การบวชเป็นกิจทําได้ยากแล้วเมื่อเด็กรับรองว่าผมจะทําตามโอวาทของท่านขอรับจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจงมาเถิดชุบผมให้เปียกแล้วบอกตาจปรรากะปัญจกกกรรมฐานให้บวชแล้วแม้มารดาบิดาของบัณฑิตสามเณรนั้น อยู่ในวิหารนั่นเองสิ้นเจวันถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยรถปลาตะเพียนอย่างเดียวในวันที่7เวลาเย็นจึงได้ไปเรือนในวันที่8พระเถ ร, ระเมื่อจะไปในภายในบ้านพาสัมเณีนั้นไปไม่ได้ไปกับหมู่ภิกษุเพราะเหตุอะไรเพราะว่าการข่มจีวอลและการถือบาท หรืออริยบทของเธอยังไม่น่าเลื่อมใสก่อนอีกอย่างหนึ่งวัดที่พึงทําในวิหารของพระเถระยังมีอยู่อันหนึ่งพระเถระเมื่อภิกษุสงฆ์เข้าไปในบ้านแล้วเที่ยวไปทั่ววิหารกว่าที่ที่ยังไม่กว่าตั้งน้ําฉันน้ําใช้ไว้ในภาชนะที่ว่างเปล่าเก็บเตียงตั้งเป็นต้นที่ยังเก็บไว้ไม่เรียบร้อยแล้วจึงเข้าไปในบ้านภายหลัง อีกอย่างหนึ่งท่านคิดเห็นว่าพวกเดรถีเข้าไปยังวิหารว่างแล้วอย่าได้เพื่อจะพูดว่าดูเถิดที่นั่งของพวกสมณะโคโดมดังนี้แล้วจึงได้จัดแจงวิหารทั้งสิน้นเข้าไปบ้านภายหลังเพราะฉะนั้นแม้ในวันนั้นพระเถระให้สา ม, มนเณรนั่นเองถือบาจีวอเข้าไปบ้านสายหน่อย สามเณรเมื่อเดินไปกับอุปชาเห็นเหมืองในระหว่างทางจึงเรียนถามว่านี้ชื่ออะไรขอรับพระเถระชื่อว่าเหมืองสามเณรสามเณรเขาทำอะไรด้วยเหมืองนี้พระเถระเขาไขน้ำจากที่นี้ที่นี้แล้วทำการงานเกี่ยวด้วยข้าวกล้าของตนสามเณรก็น้ำมีจิตไหมขอรับ พระเถระไม่มีเธอสามเณรชนทั้งหลายย่อมไขน้ําที่ไม่มีจิตเห็นปานนี้สู่ที่ที่ตนปรารถนาแล้วปรารถนาแล้วได้หรือขอรับพระเถระได้เธอสามเณรนั้นคิดว่าถ้าคนทั้งหลายไขน้ําซึ่งไม่มีจิตแม้เห็นป่านนี้สู่ที่ที่ตนปรารถนาแล้วปรารถนาแล้วทําการงานได้เหตุชไหน คนมีจิตแท้ๆจากไม่อาจเพื่อทำจิตของตนให้เป็นไปในอํานาจแล้วบำเพ็ญสมณธรรมเธอเดินต่อไปเห็นพวกช่างสอนกำลังเอาลูกสอนหล่นไฟแล้วเล็งด้วยหางตาดัดให้ตรงจึงเรียนถามว่าพวกนี้ชื่อพวกอะไรขอรับพระเถระชื่อช่างสอนเธอสมณีนก็พวกเขาทำอะไรกันพระเถระ เขาหลนที่ไฟแล้วดัดลูกศรให้ตรงสา ม, มเณรลูกศร น, นั่นมีจิตไหมขอรับพระเถระไม่มีจิตเธอเธอคิดว่าถ้าคนทั้งหลายถือเอาลูกศร อ, อันไม่มีจิตลนไฟแล้วดัดให้ตรงได้เพราะเหตุอะไรแม้คนมีจิตจึงจักไม่อาจเพื่อทำจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจแล้วบำเพ็ญสมณธรรมเล่า ครัน้นสามเณรเดินต่อไปเห็นชนถากไม้ทําเครื่องทัพอสัมภาระมีกรรำกงและดุมเป็นต้นจึงเรียนถามว่าพวกนี้ชื่อพวกอะไรขอรับพระเถระชื่อช่างถากเธอสามเณรก็พวกเขาทําอะไรกันพระเถระเขาถือเอาไม้แล้วทําล้อแห่งยานน้อยเป็นต้ น, น, นเธอสามเณรก็ไม้เหล่านั้นมีจิตไหมขอรับ พระเถระไม่มีจิตเธอทีนั้นเธอได้มีความตริตรองอย่างนี้ว่าถ้าคนทั้งหลายถือเอาท่อนไม้ที่ไม่มีจิตทำเป็นล้อเป็นต้นได้เพราะเหตุไรคนผู้มีจิตจึงจักไม่อาจทำจิตของตนให้เป็นไปในอํานาจแล้วบาเพ็ญสมณธรรมเล่าเธอเห็นเหตุเหล่านี้แล้วจึงเรียนว่าแต่เท้าขอรับ ถ้าแต่เท้าควรถือบาทและจีวรของใต้เท้าได้กระผมพึงกลับพระเถระไม่ได้เกิดความคิดเลยว่าเจ้าสามนเณรเล็กนี้บวชได้หยกๆตามเรามากล่าวอย่างนี้ได้กลับกล่าวว่าจงเอามาสามนเณรแล้วได้รับบาทและจีวรของตนไว้ฝ่ายสามนเณรว่า้พระอุปชาแล้วเมื่อจะกลับจึงเรียนว่าใต้เท้า เมื่อจะนําอาหารมาเพื่อกระผมพึงนํามาด้วยรถปลาตะเพียนเถิดขอรับพระเถระเราจะได้ในที่ไหนเล่าเธอสามเณรเรียนว่าถ้าไม่ได้ด้วยบุญของใต้เท้าก็จักได้ด้วยบุญของกระผมขอรับพระเถระวิตกว่าแม้อันตรายจะพึงมีเก่าสามเณรเล็กผู้นั่งข้างนอกจึงให้ลูกดานไปแล้วบอกว่า ควรเปิดประตูห้องอยู่ของฉันแล้วเข้าไปนั่งเสียภายในเธอได้กระทําอย่างนั้นแล้วนั่งอย่างความรู้ลงในกรรชกายของตอนพิจารณาอัธภาพอยู่ครั้งนั้นที่ประทับนั่งของท้าสักกะแสดงอาการร้อนด้วยเดชแห่งคุณของสมเนนนั้นเท้าเธอใคร่ครวญว่าจากมีเหตุอะไรกันหนอทรงดาริว่า บัณฑิตสามเณรถวายบาทและจีวรแก่พระอุปชาแล้วกลับโดยตั้งใจว่าจักทำสมณธรร ม, ม, รรมแม้เราก็ควรไปในที่นั้นดังนี้แล้วตรัสเรียกท้ามหาราชทั้งสี่มาตรัสว่าพวกท่านจงไปไล่นกที่บินจอแจอยู่ในป่าใกล้บริเวณให้หนีไปแล้วยึดอารักขาไว้เดือรอกตรัสกับจันทะเทพบุตรว่าท่านจงฉุดรั้งมณฑลพระจันไว ตรัสกาสุริยะเทพบุตรว่าท่านจงฉุดรังมณฑนพระอาทิตย์ไว้ดังนี้แล้วพระองค์เองได้เสด็จไปประทับยืนยึดอารักขาอยู่ที่สายอยู่ในวิหารแม้เสียงแห่งใบไม้แก่ก็ไม่ได้มีจิตของสามเณรได้มีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วเธอพิจารณาอัตภาพแล้วปรรลุผลสามอย่างในระหว่างพัดนั่นเอง ฝ่ายพระเถระคิดว่าสามเณรนั่งแล้วในวิหารเราอาจจะได้โภชนะที่สมประสงค์แก่เธอในสกุลชื่อนน้นดังนี้แล้วจึงได้ไปสู่ตระกูลอุปถากซึ่งประกอบด้วยความรักและเคารพตระกูลหนึ่งก็ในวันนั้นมนุษย์ทั้งหลายในตระกูลนั้นได้ปลาตะเพียหลายตัวนั่งดูการมาแห่งพระเถระอยู่เที่ยวพวกเขาเห็นพระเถระกาลังมา จึงกล่าวว่าท่านครับท่านมาที่นี้ทํากรรมเจริยแล้วแล้วนิมนต์ให้เข้าไปข้างในถวายข้าวยาคูและของควรเคี้ยวเป็นต้นแล้วได้ถวายบิณฑบาตด้วยรถปลาตะเพียนพระเถระแสดงอาการจะนำไปพวกมนุษย์เรียนว่านิมนต์ฉันเถิดครับใตเท้าจักได้แม้พัดสําหรับจะนำไป ในเวลาเสร็จพัฒกิจของพระเถระได้เอาโพชนะประกอบด้วยปาตะเพียนใส่เต็มบาทถวายแล้วพระเถระคิดว่าสามเณรของเราหิวแล้วจึงได้รีบไปแม้พระศาสดาในวันนั้นสเสวยแต่เช้าเทียวเสด็จไปวิหารทรงเร่ครวญว่าบัณฑิต ส, สามเณรให้บาทและจีวรแก่อุปชาแล้วกลับไปโดยตั้งใจว่าจกทาสมณธรรม กิจแห่งบรรพชิตของเธอจกสาเร็จหรือไม่ทรงทราบว่าสามเณรบรรลุผลสามอย่างแล้วจึงทรงพิจารณาว่าอุปนิสัยแห่งพระอรหัสต์จะมีหรือไม่ทรงเห็นว่ามีแล้วทรงใคร่ครวญว่าเธอจกอาจเพื่อบรรลุพระอรหันต์ก่อนพัดทีเดียวหรือจักไม่อาจได้ทรงทราบว่าจักอาจลาดับนั้น พระองค์ได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าสารีบุตรถือพัดเพื่อสามเณรรีบมาเธอจะพึงทำอันตรายแก่สามเณร น, นั้นก็ได้เราจะนั่งถืออารักขาที่ซุ้มประตูที่นั้นจะถามปัญหาสี่ข้อกับเธอเมื่อเธอแก้อยู่สามเณรจกบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาดังนี้แล้วจึงเสด็จไปจากวิหารนั้น ประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูตรัสถามปัญหาสี่ข้อกับพระเถระผู้มาถึงแล้วพระเถระแก้ปัญหาที่พระศาสดาตรัสถามแล้วในปัญหานั้นมีปุจฉามิสัชนาดังต่อไปนี้ได้ยินว่าพระศาสดาตรัสกับพระเถระนั้นว่าสารีบุตรเธอได้อะไรมาพระเถระอาหารพระเจ้าค่าพระศัสดา ชื่อว่าอาหารย่อมนำอะไรมาสารีบุตรพระเถระเวทนาพระเจ้าค่าพระศาสดาเวทนาย่อมนำอะไรมาสารีบุตรพระเถระรูปพระเจ้าค่าพระศัสดาก็รูปย่อมนำอะไรมาสารีบุตรพระเถระพัสสะพระเจ้าค่าในปัญหานั้นมีอธิบายดังนี้ จริงอยู่อาหารอันคนหิวบริโภคแล้วกำจัดความหิวของเขาแล้วนำสุขเวทนามาให้เมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นแก่ผู้มีความสุขเพราะการบริโภคอาหารวั น, นะสมบัติย่อมมีในสรีระเวทนาชื่อว่าย่อมนำรูปมาด้วยอาการอยา่างนี้ก็ผู้มีสุขเกิดสุขสมนัตดโดยอำนาจรูปที่เกิดจากอาหาร นอนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามรืยคิดว่าบัดนี้อาสาถ่าเกิดแก่เราแล้วย่อมได้สุขสัมผัสเมื่อพระเถระแก้ปัญหาทั้งสี่ข้อเหล่านี้อย่างนั้นแล้วสามเณรก็ได้บรรลุพระอระหัสต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาฝ่ายพระศาสดาตรัสกับพระเถระว่าไปเถอะสารีบุตรจงให้พัดแก่สามเณรของเธอ พระเถระไปเคาะประตูแล้วสมเณรออกมารับบาทจากมือพระเถระวางไว้หน้าวนข้างหนึ่งแล้วจึงเอาพัดก้านตาลพัดพระเถระลำดับนั้นพระเถระกล่าวกับเธอว่าสมเณรจงทาพัตกิจเสเถิดสมณเณรก็แต่เท้าเล่าขอรับพระเถระเราทำพัฒกิจเสร็จแล้วเธอจงทาเถิด เด็กอายุเจ็ขวบบวชแล้วในวันที่8บรรลุพระอรหันตเป็นเหมือนดอกประทุมที่แย้มแล้วในขณะนั้นได้นั่งพิจารณาที่เป็นที่ใสพัดทาพัตกิจแล้วในขณะที่เธอล้างบาทเก็บไว้จันทเทพบุตรปล่อยมนทนพระจันทร์สุริยเทพบุตรปล่อยมนทนพระอาทิตย์ท้ามหาราชทั้งสปล่อยอารักขาทั้งสี่ทิศ พระสกัดเทวรากเลิกอารักขาที่อายอยู่พระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไปแล้วจากที่ทถ้ำกลางภิกษุทั้งหลายพนธนาว่าเงาบ่ายเกินประมาณแล้วพระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไปจากที่ถ้ำกลางก็สามเณรฉันเสร็จเดี๋ยวนี้เองนี่เรื่องอะไรกันหนอพระศาสดาทรงทราบความเป็นไปนั้นแล้วสเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพูดอะไรกันพิกษุเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นพิกษุทั้งหลายในเวลาผู้มีบุญธรรมสมณธรรมันทะเทพบุตรชุดมนทลพระจันทร์หลังไว้สุริยะเทพบุตรชุดมนทนพระอาทิตย์ไว้ท้ามหาราชทั้งสี่ถืออรัคขาทั้งสี่ทิศในป่าใกล้วิหาร เท้าสักกะเทวราชเสด็จมายึดอารักขาที่ใส่อยู่ถึงเราผู้มีความขวนขวายน้อยด้วยนึกเสียว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เพื่อจะนั่งอยู่ได้ยังได้ไปยึดอารักขาเพื่อบทของเราที่สมประตูพวกบัณฑิตเห็นคนไขน้ำกำลังไขน้ำไปจากเหมืองช่างสอนกำลังดัดลูกสอนให้ตรงและช่างถากกำลังถากไม้แล้ว ถือเอาเหตุเท่านั้นให้เป็นอารมณ์ทรมานตนแล้วย่อมยึดเอาพระอรหันต์ไว้ได้ทีเดียวดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมตรัสพระคาถานี้ว่าอุดะกังหินยันติเนติกาอุสุการาณมายันติเตชนังดารุงณมยันติตัตชกาอัตานังดมยันติปันติตาติ อันคนไขน้ำทั้งหลายย่อมไขน้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนแกอัดในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอุดะกังเป็นต้นความว่าชนทั้งหลายกุดที่ดอนบนแผ่น ด, ดินถมที่เป็นบ่อแล้วทำเหมืองหรือวางรางไม้ไว้ ย่อมไขน้ำไปสู่ที่ตนต้องการต้องการเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้ไขน้ำบทว่าเตชนังได้แก่ลูกสอนมีพระพุทธาทิบายตรัสไว้ว่าพวกคนไขน้ำย่อมไขน้ำไปตามชอบใจของตนได้แม้ช่างสอนก็ย่อมลนดัดลูกสอนคือทำให้ตรงถึงช่างถากเมื่อจะถากเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทัพสัมภาระ มีกงเป็นต้นย่อมดัดไม้คือทำให้ตรงหรือคด ต, ตามชอบใจของตนบันณฑิตทั้งหลายทำเหตุมีประมาณเท่านี้ให้เป็นอารมณ์อย่างนั้นแล้วยังมักมีโสดาปฏิมักเป็นต้นให้เกิดขึ้นอยู่ย่อมชื่อว่าทรมาตนตนแต่เมื่อบรุพระอรหันต์แล้วย่อมจัดว่าทรมานโดยส่วนเดียวในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นทั้งนี้แหลเรื่องบัณฑิตสามเณรจบ